ในพรุ่งนี้จะพิเทศเสถียนธรรมสถานนี่มดไว้ปีกวา่าแล้วเพิ่งรู้นะอยากให้เทศเรื่องหนทางอริยะหนทางอริยะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรหนทางที่พระอริยะเดินหรือว่าหนทางให้คนเดินไปเป็นพระอริยะพวกเราจเจริญสติไว้นะ ว่าเจริญสติไปปัญญาแก่รอบขึ้นมามันเป็นพระอริยะเองอะเวลาเราปฏิบัตินะเราลืมว่าเราจะได้อะไรซะถ้าเราปฏิบัติโดยหวังว่าเราจะได้อะไรอยู่เราจะไม่ได้อะไรความหวังว่าจะได้น้่นได้นี่นั้นเป็นโลภะสติไม่เกิดหรอกโลภะเกิดแล้วสติจะไม่มีงั้นเวลาที่ภาวนานะ จะได้อะไรดีๆเนี่ยทุกครั้งที่จะได้อะไรดีๆเนี่ยตอนที่ไม่ได้คิดว่าจะได้อย่างพวกเราภาวนาเรารู้สึกแม้บางวันเรารู้สึกว่าอีกนิดเดียวอีกนิดหนึ่งก็ถึงละอีกนิดหนึ่งก็ถึงละแล้วมันก็เสื่อมไปแต่บางวันก็เหมือนภาวนามไม่เป็นเลยเราก็ยิ่งดิ้นใหญ่ทาไงจะเจริญลูกเดียวไม่เสื่อมเลย กลับใดที่ใจอย่างคิดจะทํานะมันทําไม่ได้แต่อาศัยความอยากจะทนะําเนี่ยใจที่เร่าร้อนอยากบรรลุมรรคผลนิพพานอยากพ้นทุกข์อาศัยสิ่งนี้แหละเป็นแรงผลักดันให้เรามาเจริญสติทีแรกมันก็มีตัณหาก่อนอยากบรรลุมรรคผลนิพพานมีขึ้นมาก่อนมีอย่างนี้ทุกคนแนหะภาวนาไม่มีหรอกไม่อยากได้มรรคผลนิพพาน ก็อยากได้แต่อาศัยความอยากได้มากผลนิพพานเนี่ยมาหัดเจริญสติเข้าน ะ, าจจะเจริญสติไปเรื่อยๆถึงจุดที่ปัญญามันพอมันก็ได้ ต, ตอนจะได้นะมันไม่ได้อยากแล้วหมดอยากยังอยากอยู่ก็ยังปรุงแต่งอยู่อาศัยความปรุงแต่งนั่นแหละมาพักเพียรนำนะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยจนวันหนึ่งมันหมดความอยากแล้วทำไงก็สำไม่สําเร็จนะดินแทบตายก็ไม่สําเร็จแต่อาศัยการที่เราภากเพียนเจริญสติอยู่เนี่ยจิตมันคุ้นเคยที่จะมีสติขึ้นมาพอจิตมันคุ้นเคยที่จะเกิดสตินะสติเกิดเองนะคราวนี้ครูบาอาจารย์ชอบเรียกว่ามหาสติอะไรสติอัตโนมัตินะสติเข้าใจคุ้นเคยที่จะเกิดสติ อย่างนั้นมีคุณภาพนะจิตมีคุณภาพจิตของเรานะ่คุ้นเคยที่จะขาดสติเพราะคนในโลกไม่เคยมีสติจิตมันไปตามความคุ้นเคยนะจิตเคยหลงไมื่ก็หลงไปเรื่อยเคยขาดสติก็ขาดไปเรื่อยๆไม่ยอมเกิดสติอาศัยความอยากได้มากผลนิพพานนะมาหัดเจริญสติมาคอยดูกายมาคอยรู้ดูใจเรื่อย การไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะั่นแหละเรียกว่ามีสติพอไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะตามรู้มันไปเรื่อยแรกๆมันไม่ยอมตามรู้หรอกมันอยากเข้าไปดัดแปลงแก้ไขอยากเข้าไปควบคุมอยากไปจัดการให้มันดีให้จิตใจมันดีจิตใจบรรลุมรรคผลนะอดอยากไม่ได้เนื้อหัดไปเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งนะจิตคุ้นเคยที่จะมีสติ ไม่ได้เจตนาจะมีสติก็เกิดสติขึ้นมานะใจโมโหวแวบขึ้นมาสติก็รู้ทันนะไม่ได้เจตนาจะรู้ในะจิตที่คุ้นเคยที่จะเกิดสตินะมันจะเกิดสติโดยไม่ได้มีความจงใจยังจงใจอยู่เรียกว่ามีโลภะเจตนาเป็นเจตนาความจงใจที่เจือด้วยโลภะเจือด้วยความอยากเจตนาตัวนี้เป็นเจตนาทางใจนะเจตนาทางใจตัวนี้ เป็นมโนสัญญะเจตนาไม่ต้องจำชื่อมันก็ได้น ะ, ะคนในเรียนอภิธรรมมาว่าตัวนี้คือมโนสัญญาเจตนามันจงใจมโนสัญญาเจตนาเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตเกิดการกระทำกรรมเพรฉน้นพี่พวกเราหัดมีสติเรื่อยๆแล้วเจือด้วยความจงใจไปเรื่อยเราก็าทำกรรมนะแต่กรรมนี้เรียกว่ากรรมฐาน อาศัยการทำกรรมฐ า, านนะมีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยไปรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างฝึกไปนานรู้นี่ถี่ยิบขึ้นมาตรงที่ไม่ได้จงใจแล้วเนี่ยมักผลจะเกิดก็เกิดตรงนี้แหละแต่อาศัยความจงใจดูไปก่อนจนจิตคุ้นเคยที่จะมีสติเงันะ้นเวลาจะได้ธรรมะอะไรแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี้เป็นเวลาที่ไม่คิดไม่ฝันแนละ้วไม่นึกแนละ้ว แต่ว่าหมดแรงดิ้นละดิ้นมาจนหมดแรงดิ้นแต่อยู่ๆจะมาฟังหลวงพ่อพูดบอกว่าต้องดิ้นจนหมดแรงดิ้นแล้วก็เรารีบหมดแรงเลยโอ้ฉันหมดแรงแนละ้ว <laughs> ัรรลุนะบรรลุหมดแรงลนะ้ไม่ัรรู้หรอกใจมันยังอยากไม่เลิกงั้ยังอยากอยู่ก็ไม่ได้กินหรอกแต่อาศัยความอยากนั่นแหละผลักดันให้มาเจริญสติคอยรู้กายคอยรู้ใจจนอัตโนมัติ ไม่ได้เจตนาก็รู้ได้ตัวนี้ครูบาอาจารย์ชอบเรียกมหาสติพอไม่ได้เจตนาจะรู้แล้วมันก็รู้เองเนี่ยกิเลสมันไม่ครอบงําใจนะปัญญามันเกิดได้อย่างสติะระลึกรู้ร่างกายปั๊บเนี่ยจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่เราเห็นทันทีเลยร่างกายไม่ใช่เราดูง่ายเรียนกับหลวงพ่อเดือนหนึ่งก็เห็นแล้วเดีย๋ยวนี้ไม่ยากอะไร รู้สึกตัวขึ้นมาถ้าสติระลึกไปที่กายปั๊บโดยไม่เจตนานะเห็นเลยไม่ใช่เราเพราะน้นบางคนนอนตื่นนอนนะยังบิดขี้เกียจบิดซ้ายบิดขวาอยู่เลยสติเกิดระลึกรู้กายนะเห็นเลยตัวที่บิดอยู่ไม่ใช่เราละะเป็นวัตถุก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอะไ่งบางคนอาบน้ําอยู่นะถูสบู่ถูตัวอยู่สติเกิดระลึกโดยไม่ได้จงใจระลึกปั๊บ เห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราที่กาลังหวีผมส่องกระจกอยู่นะไม่รู้ตัวอะไรไม่แต่มันไม่ใช่ตัวเราเนี่มถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราทางจิตใจก็ต้องดูกันนานหน่อยเพราะความเห็นผิดว่าจิตใจเป็นตัวเราเนี่ยเป็นเหนียวความเห็นผิดที่เหนียวแน่นมากเรายึดถือเราเราเห็นว่าจิตนี่เป็นเราเนี่ยนะ แนบแน่นมากกว่าเห็นว่ากายเป็นเราคนในศาสนาอื่นพระเจ้าท่านบอกคนในธรรมวินัยอื่นแต่เดิมไม่มีคําว่าศาสนาสมัยพุทธการ ใ, ใช้คําว่าธรรมวิไนมีธรรมะก็มีวิไนคนในธรรมวิไนอื่นเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่มีแต่คนในธรรมวิไนของพระพุทธเจ้านะถึงจะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เรา ทำไงถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะเรามีสติคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะจิตยขยับเขยืนเคลื่อนไหวก็แค่รู้แค่รู้อย่าไปจ้องไว้ก่อนนะจิตมันเคลื่อนไหวเราก็รู้มันเคลื่อนไหวไปก็รู้นะนี่รู้ทันกิริยาการของจิตใจไปเรื่อยเดี๋ยวเห็นนะเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเดี๋ยววิ่งไปคิดไปนึกไปปรุงไดแต่งรูปจนกระทั่งมันไม่เจตนานะ หรือบางทีก็รู้ความรู้สึกก็ได้ความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกสุขเกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้อย่างนี้ก็ได้คนไหนขี้โมโหก็ดูไปเดี๋ยวจิตก็โมโหเดี๋ยวจิตก็ไม่โมโหคนไหนขี้โลภอยากน่นอยากนี่ตลอดเวลาก็ดูไปเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็ไม่โลภไม่มีหรอกจิตที่โลภตลอดการไม่มีจิตที่โกรธตลอดการไม่มี ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับทั้งสิ้นเลยนี่ยเราคอยรู้นะทางกายเนี่ยง่ายเรามีสติแล้วเราเห็นเองไม่ใช่ตัวเราอนะแต่จิตเนี่ยรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเป็นเราในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเรามาตั้งแต่เกิดแล้วนะเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆ ก, ก็รู้สึกเป็นเราคนเดิมนั่นแหละก็รู้สึกอยู่อย่างนี้ได้่อยๆแต่พอมาหาดัดดูจิตดูใจนะเห็นจิตใจเกิดดับไปได้ๆ จิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่ทเฉยๆเกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภเกิดแล้วก็ดับจิตไม่โลภเกิดแล้วก็ดับจิตที่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตไม่โกรธเกิดแล้วดับจิตที่หลงไปเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับนี่เฝ้ารู้ไปอย่างนี้นะถึงวันหนึ่งมันจะเห็นเลยจิตนั้นมันแยกกันเป็นดวงดวงจิตไม่ใช่อันเดียวไม่ใช่มีอันเดียวรวดถ้ามีอันเดียวรวดเรารู้สึกว่าเป็นตัวเรา แต่ถ้าเราเห็นว่ามันขาดเป็นช่วงๆออกไปนะเป็นดวงๆนะมันเหมือนอย่างแสงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆไฟฟ้ามันเกิดดับเป็นช่วงๆตลอดเวลานะแต่เรารู้สึกมัน ค, ง, คงที่เพราะสติปัญญาเราดูไม่ทันนะหรือเราดูโทรทัศน์นะเรารู้สึกไอ้นักร้องคนนี้มันร้องมาตั้งแต่แรกนะจนจบเพลงละมันก็เป็นนักร้องคนเก่าเรามองไม่ออกเพราะว่ารูปนั้นมันเกิดดับทียิบเลย วินาทีหนึ่งเกิดได้หลายสิบรูปเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยจิตนี้ก็เหมือนกันเรารู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวเพราะเราไม่เห็นว่าจิตมันเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วเหมือนไฟฟ้าสลับเนี่ยเกิดดับรวดเร็วปั๊บปัปป๊เหมือนรูปภาพในโทรทัศน์เกิดดับรวดเร็วปั๊บปัปป๊สติปัญญาไม่พอก็เลยรู้สึกว่าคงที่อยู่ก็เลยเห็นว่าจิตเป็นตัวตนจิตเป็นอัตตา จิตเป็นของเที่ยงอยู่ตลอดกาลมีตลอดเวลาเป็นอันเดิมด้วยไม่ใช่อันใหม่นี่พอเรามาหัดเจริญสตินะเราเห็นเลยจิตที่โลภมันก็อันหนึ่งนะจิตไม่โลภมันก็อันหนึ่งจิตที่โกรธมันก็อันหนึ่งจิตไม่โกรธก็อันหนึ่งจิตหลงก็อันหนึ่งจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาก็อันหนึ่งจิตสุขก็อันหนึ่งจิตทุกข์ก็อันหนึ่งจิตเฉยๆก็อีกอันนึงเนี่ยคอยรู้ค่อยดูไปเรื่อยนะเราจะเห็นในจิตทุกอย่างนะเกิดระดับ เราดูตัวจิตตรงๆไม่ได้เราอาศัยสังขารของจิตสิ่งที่มาประกอบกับจิตน เ, เจตสิกทั้งหลายอยู่ๆเราจะเห็นจิตเกิดดับนั้นมันดูไม่ได้เพราะจิตไม่มีรูปร่างให้ดูเราอาศัยสิ่งที่เจือปนลงไปในจิตทาให้เราดูออกว่ามันมีอยู่เหมือนแก๊สบางอย่างใช่ไหมมันไม่มีสีหรอกมันไม่มีกลิ่นหรอกเขาเติมสีเติมกลิ่นลงไป เพื่อเวลามันรั่วออกมาคนจะได้รู้ว่ามันมีอยู่จิตเนี่ยก็คล้ายแก๊สที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นเลยเลยไม่มีร่องรอยให้สัมผัสจับต้องได้เลยดูไม่ออกก็อาศัยสิ่งที่เจือปนลงไปในจิตมาทำให้ดูดูออกอย่างเจือปนด้วยความโลภแล้วก็เห็นในจิตที่เจือปนกับความโลภอยู่ช่วคราวแล้วก็หายไป จิตที่เจือปนด้วยความกโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่เจือปนด้วยความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเนี่ยเฝ้ารู้ไปอย่างงี้นะรู้ไปหัดดูทีแรกยังไม่ถึงจิตตรงๆหรอกอาศัยสิ่งที่มาประกอบกับจิตนะั้นมาดูอาศัยเวทนาบ้างอาศัยสังขารที่เป็นกุลศลอกุศลบ้างหรือจะอาศัยการรู้อารมณ์ทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้ เดี๋ยวจิตก็รู้ที่ตาเดี๋ยวจิตก็รู้ที่หูเดี๋ยวจิตก็รู้ที่ใจมันจะทําให้เห็นว่าจิตนั้นไม่ใช่ดวงเดิมหรอกจิตที่โกรธเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตไม่โกรธจิตที่โลภเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดจิตไม่โลภจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวจิตที่ฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่หดหูขึ้นมาแทนอะไรอย่างนี้มันจะเห็นอย่างนี้จิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตเฉยๆขึ้นมา จิตที่ทุกข์เกิดแล้วดับไปก็เฉยๆเนะฉยๆสักพักอาจจะเฉยๆดับไปเกิดสุขขึ้นมาอีกเวียนอย่างนี้เราจะเห็นเลมันเปลี่ยนไปเรื่อยไม่เคยคงที่เลยนะเกิดดับต่อเนื่องไปเรื่อยคราวนี้ยถ้าเราเท่ากับเรามีสติมีปัญญาแล้วนะเราไม่เห็นว่าจิตเที่ยงนะไม่ใช่เห็นว่าจิตมีดวงเดียวแล้นะเหมือนเราเกิดสติปัญญามากเรารู้แล้วว่าแสงสว่างของไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้คงที่หรอก เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเกิดมีสติปัญญารู้ว่ารูปที่เห็นในโทรทัศน์เนี่ยไม่ได้คงที่หรอกมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลารูปแต่ละรูปไม่ได้เคลื่อนไหวรูปแต่ละรูปอยู่กับที่แต่รูปนั้นดับไปมันมีรูปอีกรูปหนึ่งเคลื่อนกว่าเก่านิดหนึ่งเห็นรูปอีกรูปหนึ่งเกิดขึ้นมาเราเลยเห็นว่ารูปนั้นเป็นตัวเดียวกันแล้วเคลื่อนไหวได้จริงๆเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นนั่นแหละจิตก็เหมือนกันจิตเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นน่ะ เนี่ยเฝ้ารู้ไปนะจนเห็นเลยทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับกระทั่งสิ่งที่เกิดในจิตใจนะไหววับวับวับวับมีมีแต่เกิดแล้วดับตลอดนานนานไปน่าปัญญามันเกิดเห็นเลยไม่มีตัวตนที่แท้จริงหรอกจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเพราะจิตเองเกิดดับอยู่ตลอดเวลาพอมินมีปัญญาขึ้นมานะว่าจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเรานะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เป็นพระโสดาบัน ในคมภีเราถึงชอบพูดด้วยว่าองค์นี้บรรลุพระโสดาบันนะเวลาบรรลุพระโสดาบันท่านบอกว่าจะเห็นธรรมะจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมตาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมตาจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเห็นอย่างนี้ไม่มีตัวตนถาวร น, นะไม่ใช่มีสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่เคยดับไปเลยนะ อย่างเดิมเราเห็นว่ามีตัวเราอยู่คนหนึ่งไม่เคยดับไปเลยตัวเราเดี๋ยวนี้ก็ตัวเราตอนเด็กก็คนเดิมพอเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะก็จะรู้เลยว่าไม่มีตัวตนถาวรแลเป็นพระโสดาบันละสักยัตทิฏฐิได้สักยัติทิฏฐิคือความเห็นว่ามันมีตัวตนถาวร น, นะพอเราเห็นว่าไม่มีตัวตนถาวรแล้วคราวนี้ชีวิตจิตใจเราจะเปลี่ยนไปเยอะเลยความทุกข์จะหายไปเยอะเลยนะกิเลสก็ยังมีนะ รุนแรงไม่ต่างกับปุถุชนเท่าไรหรอกพระโสดาบันล้างความเห็นผิดไปความโลภความโกรธความหลงอะไรหยาบๆก็เหมือนเดิมร้องไห้ก็ได้เสียใจก็ได้อย่างนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันหลานสาวตายเดินร้องไห้ไปหาพระพุทธเจ้าไม่อายใครเลยนะเดินร้องไห้ไปจากป่าช้าไปหาพระพุทธเจ้า ก็ยังมีความทุกข์อยู่นะแต่จริงๆแล้วความทุกข์เหลือนิดเดียวนานๆหรอกที่ว่าความทุกข์มันจะกระทบเข้ามาได้เพราะว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี่เป็นชีวิตที่ไม่ประมาทหรอกเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาทุกวันนี้ที่เรามีความทุกข์มากนะเพราะเราเห็นว่าเรามีอยู่จริงๆตัวเรามีจริงๆก็ถ้าเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกเป็นแค่ปรากฏการตามธรรมชาตินะที่เกิดขึ้นเป็นขณะขณะ เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะคนในปัจจุบันนี้ที่เรื่องว่าเราเนี่ยคนเนี้ยกับคนเมื่อวานก็คนละคนกันนะนะคนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้นะกับคนเย็นนี้ก็คนละคนกันอย่างเงี้ยงันะใจเนี้ยนะมันจะทุกข์น้อยลงไปเยอะเลยที่มันทุกข์มากเพราะมันรู้สึกว่ามันมีเราอย่างจริงจังเนะห็นมันมีเราจริงจังนะ uh huh. ก็อยากโน่อนอยากนี่ไปเรื่อย แต่ถ้าปัญญามันพอมันเห็นเลยตัวเราก็ไม่มีความอยากมันหายไปเยอะเลยไม่รู้จะอยากทําไมก็ตัวเรามันไม่มีเงินได้เป็นพระโสดาบันนะมีปัญญาให้มากระทั่งตัวเราไม่มีเลยของเรามันจะมีเหรือเราถูกมันหลอกนะว่ามันมีตัวเราขึ้นมาก่อนมันก็เลยมีความทุกข์ขึ้นมา ในความเป็นจริงแล้วมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนมีแค่ปรากฏการของรูปธรรมของนามธรรมา ท, ที่เกิดขึ้นเป็นเคลาเคลาเท่านั้นเองนะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปลองนึกย้อนไปในชีวิตเราสิมีแม้ความสุขที่ไม่ดับลองนึกย้อนไปในชีวิตเรามีแม้ความทุกข์ที่ไม่ดับนะมีไหมอะไรที่อยากได้แล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่มีอะไรเลยนะ เคยรู้สึกไหมว่าถ้าเราได้คนนี้มาได้สิ่งนี้มาเราจะมีความสุขพอได้คนนี้มาได้สิ่งนี้มาเดี๋ยวมันก็อยากอ ย, ากอย่างอื่นนะอันนี้ไม่อยากได้แล้วใจนั้นนะมันหาความสุขไม่ได้เลยเพราะมันต้องการสนองอัตตาไปเรื่อยบางคนนะมันแก่งากแล้วนะยังอยากมีมีอะไรหลายคนนะเพื่อประกาศอัตตาพราฉันยังอยู่นะฉันยังไม่ตาย ฉันยังเก่งอยู่หมาก็เป็นนะหมาไอ้เหลืองเนะี่ยไอ้เหลืองเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยออกมาให้ญาติโยมพบนะพบตัวยากขึ้นเมื่อก่อนอยู่สวนโปโอมันจะต้องมาสำรวจทุกวันเลยใครมาไม่มานะตลก <c oughs> แต่ถ้าใครมานะเราเรียกเหลืองเหลืองนะเหลืองจะตัวพองขึ้นเรยนะแต่ถ้าไม่มีคนสนใจนะมันจะค่อยๆแฟบลง แฟบลงแฝบลงแล้วก็เริ่มเรียกร้องความสนใจเช่นทำนั่งหงิกนั่งงอเพราะไม่มีคนสนใจแ <c> ล <oughs> ้วโมโหแล้ว <c oughs> เรียกร้องความสนใจทําไมกระทั่งหมาอย่างเรียกร้องความสนใจเลยเพราะหมาก็ต้องการประกาศอัตตานะ <c oughs> มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็อยากประกาศอัตตาท่านนั่นน <c oughs> เพราะอะไรเพราะไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่หรอกว่าจะมีอัตตาได้เท่าไหร่อย่างแต่ละคนใช่ไม นานไปนานไปก็รู้สึกว่าเราชักแก่ แ, กแล้วพยายามประกาศอัตตานี่ก็ใกล้เดือนตุลาแล้วกันยาสามสิบกันยานะก็จะมีพวกที่อัตตาเสียไปอีกส่วนหนึ่งเคยใหญ่เคยโตใช่ไหมคราวนี้แต่เดิมเดินไปไหนนะลูกน้องคำนับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่เบะพุ๊บๆแต่ไปนี้มันเห็นนะมันอาจจะทำไม่เห็นก็ได้อัตตาเสีย พอไม่ได้รับสนองอัตตานะ่ยชาวตายไปเลยเยอะแยะเลยนะี่นมนุษย์เนี่ยนะที่อยากได้สิ่งโน้อนอยากได้สิ่งนี้นะลึกลงไปเลยนะมันอยากประกาศอัตตาอยากย้ําว่าฉันยังอยู่นะฉันยังอยู่นะฉันยังไม่ได้หายไปนะกลัวมากเลยว่าตัวเราจะหายไปกลัวเราตัวเราหายไปนะเพราะว่ามันรักในตัวเองอย่างเดนียวแน่น ยอมไม่ได้เลยว่าไม่มีตัวเรางั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นคำสอนที่ฝืนความรู้สึกของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายมากเลยท่านกล้าหารนะท่านกล้าประกาศว่าไม่มีตัวเราหรอกมีแต่รูปธปรรมนามธรรมที่เกิดเป็นคราวๆถ้ายัางสำคัญมั่นหมายว่ามีเรานะก็ยังมีความทุกข์แนบอยู่เสมออย่างร่างกายนี้ของเรานะว่ามันแก่ใช่ไหมก็เราแก่ว่ามันเจ็บก็เราเจ็บมันตายเราก็ตาย จิตใจเนี่ยมันพลัดพลากจากสิ่งที่รักเนะเรารู้สึกอ้วเรารักคนนี้มากเลยไม่ได้เห็นนะเนี่ยเสียใจนะเจอกับสิ่งที่ไม่รักนะสิ่งที่รักสิ่งที่ไม่รักเนี่ยจิตเป็นคนให้ค่านะตาเราแค่มองเห็นไม่ได้ให้ค่าเงินพลัดพลากจากสิ่งที่รักก็เพราะใจมันให้ค่าว่าอันนี้รักเจอสิ่งที่ไม่รักก็เพราะใจมันให้ค่าว่าอันเนี้ไม่รักนี่ใจมันให้ค่าเพี้ยนมาถ้ายังมีอย่างนี้อยู่นะ ยังให้ค่าอยู่ทางใจก็ยังมีความทุกข์เกิดขึ้นได้เรื่อยๆไปมีสิ่งที่รักเหรอมันจะรักได้สักแค่ไหนจะไม่อยากเจอสิ่งที่เกลียดเป็นไปได้เหรอที่จะไม่เจอสิ่งที่เกลียดเลยพวกเราเจอสิ่งที่เกลียดเสมอนะแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้ตัวขับรถอยู่เราเกลียดอะไรเราเกลียดไฟแดงรู้สึกไหมเรารักไฟเขียวเคยนึกไหม <laughs> เห็นไฟแดงเห็นไฟเหลืองเน็ต <laughs> ไฟเหลืองแปลว่าอะไรเหยียบเข้าไว้ <laughs> นะเนะพราะอะไรเกลียดไฟแดงนะ <laughs> ใช่ไหมเนี่ยใจเรารักนู้นเกลียดนี้อยู่ตลอดเวลานั้นไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยนะเราคิดเหรอว่าต้องเจอคนนี้ถึงจะเกลียดเจอคนนี้ถึงจะรักนะแต่ละคนให้ค่าไม่เหมือนกันอย่านะพ่อใจมันให้ค่าใจเราจริงๆนะเดี๋ยวรกักเดี๋ยวเกลียดอยู่ตลอดเวลาเวลาอากาศหนาวๆแล้วลมเย็นโชยมาเกลียดนะ ไม่อยากได้ลมเย็นเลยเวลาร้อนๆแล้วลมเย็นโชยมาชอบนะชอบโอ้ลมนี้สดชื่นดีใจะแค่เนี้ยเราก็ไม่เคยเห็นละนะเราปล่อยปลาละเลยนะใจเราก็แหวงขึ้นแหวงลงเดี๋ยวรักๆๆเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียดอยู่ตลอดวันเนี่ยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงอยู่ตลอดเวลาเ น, น, นี่ถ้าเราคอยรู้เคยเห็นไปเรื่อยนะเราจะเห็นเลยใจที่กับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงไม่ใช่เราหรอก เห็นถึงขนาดนี้นะมันไม่ใช่เราเราเป็นแค่สิ่งบางสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาท่านั้นเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปตัวเราที่แท้จริงไม่มีถ้าตัวเราที่แท้จริงไม่มีเนี่ยความดิ้นรนกระวนกระวายอยากแสวงหาความสุขอยากหนีความทุกข์อะไรนี่ลดลงตัวเราไม่มีแล้วอยากจะเป็นนายกไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หรืออยากแล้วตัวเรายังไม่มีเลยไม่รู้จะเป็นนายกจะให้ใครเป็นนะ ถามว่าอะไรเป็นนายกร่างกายเป็นนายกหรือหรือจิตใจเป็นนายกร่างกายก็ไม่ได้เป็นนะจิตใจก็ไม่ได้เป็นนะความสําคัญมั่นหมายน ะ, ะัะที่เป็นจริงๆไม่มีใครเป็นอะไรหรอกมันไม่มีคนพอมันคิดว่ามีคนสัอย่างมันก็อยากโน้อนอยากนี่ไปเรื่อยเพื่อมาประกอบอัตตาย้ำว่ามีคนอยู่นะมีชั้นอยู่นะแต่พอไม่มีชั้นสัอย่างเดียวนะมันไม่ต้องดิ้นรนหาสิ่งประกอบอัตตา อย่างเรามีมือถืออยู่ตัวหนึ่งนะลรวยังใช้ได้เราก็ใช้ต่อไม่ใช่ต้องเปลี่ยนทุกอาทิตย์นะบางคนมันบ้าจริงนะเปลี่ยนทุกอาทิตย์ก็มีนะเปลี่ยนไปเรื่อยมีไอพอดรุ่นนี้ต้องเอารุ่นนี้อะไรอย่างงี้นะอยากโน้นอยากนี่นะมีโน้ตบุ๊กอันนี้แล้วเดี๋ยวรุ่นใหม่ออกมาก็อยากได้อีกแล้วทำไมจะต้องได้ของทันสมัยที่สุดของที่ดีที่สุดของที่เท่ที่สุดสุดท้ายก็คือเท่ที่สุดนั่นแหละ คือประกาศอัตรา น, นฉันมันแน่เว้ยฉันมีของดีๆใช้อะเี้ น, นี่ประกาศอัตราก็เพราะว่ามันเห็นผิดว่ามีตัวเราก็เลยต้องหาอะไรต่ออะไรมาพอกผูนเข้าไปเยอะเป็นภาระมากก็สร้างความทุกข์ให้เยอะนะฉนั้นเราได้รับความทุกข์แย่ๆเลยอย่างทุกวันเนี่ยต้องดิ้นรนหาเงินเยอะๆนะเพื่อมารักษาอัตรา อย่างเรามีรถยนต์สักคันนะรถกระป๋องมันก็นั่งก็ไปถึงที่หมายได้ใช่เราต้องนั่งรถแพงๆเราไม่ได้นั่งด้วยก้นแต่เรานั่งด้วยหน้าเนี่ยมันเรื่องเซลล์ทนั้นเอรื่องอัตราเนั้นเมันทำให้เราเหนื่อยเกินความจำเป็นทำให้เราต้องดิ้นรนเกินความจำเป็นทำให้เราต้องแย่งชิงเกินความจำเป็ น, น, นกระทั่งตัวเราไม่มีหน้าของเรามันก็ไม่มีหรอกมีแต่เครื่องอาศัยอยู่กับโลก ถ้าใครรู้จักคําว่าพอนะจะมีความสุขคําว่าพอในหลวงท่านสอนให้รู้จักพอพอไม่ได้แปลว่าอดอดอยากๆพอหมายถึงว่าอยู่ได้ต้องอยู่ได้เคยอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งนะมีคนยากจนปลูกข้าวโพดต้องไปซื้อพันธุ์ข้าวโพดเข้ามานะข้าวโพดพัดอื่นปลูกแล้วก็เขาไม่เอาเขาไม่รับซื้อคืน ต้องไปซื้อพันธุ์ข้าวโพดมาไปซื้อยาฆ่ า, มาแมลงไปซื้อปุ๋ยเข้ามาเชื่อเข้ามาหมดเลยนะพอถึงข้าวโพดออกฝักมาก็เอาเข้าวโพดไปขายคืนก็แทบไม่ได้อะไรเลยยิ่งอยู่ยิ่งจนลงไปเรื่อยนะนี่มากขึ้นมากขึ้นเสียไร่เสียนาไปไปหาพระขอเครื่องรังของขลังสักอย่างหนึ่งเถอะว่าทํำยังไงจะรวยพระท่านก็บอกว่าจะทําเครื่องรังให้ก็ได้นะ แต่ว่าจะสร้างพระเครื่องให้องค์แต่พระเครื่ององค์นี้เจ้าตัวต้องช่วยสร้างต้องหาวัตถุที่จะมามาปั้นขึ้นมาเป็นพระวัตถุที่จะใช้ปั้นเนี่ยนะจะต้องเป็นเมล็ดของพืชผลพืชผลที่กินใบได้เท่าไหร่กี่สิบชนิดก็ไม่รู้ที่กินลูกได้เท่ากี่สิบชนิดก็ไม่รู้เนี่ยถ้าเองไปปลูกต้นไม้พวกนี้นะ แล้วเก็บลูกมานะมาผสมมาบดนะวันหนึ่งจะได้พระวิเศษจะเสกให้ไอ้นี่นะปลูกต้นไม้สารพัดเลยยปลูกไปเยอะเลยมันมีกินทุกวันเลยเแถวนี้มันไม่ต้องซื้อละมีกินทุกวันเลยนะส่วนไหนกินไม่หมดก็ขายไหมขายได้ทีละนิดนิด อ, อย่างไหนได้เงินเงินก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แล้วเพราะมันมีกินน มันก็อุตส่าห์เก็บไว้นะเอาใบมาบดบ้างเอาใบเดียวนะที่ยอดเนะี่ยต้นนี้เอาใบเดียวเนะี่ยนิดเดียวต้นไหนมีเม็ดเอาเม็ดเดียวอะไรเงี้ยมันบดบดไวนะ้น่าดูไปเรื่อยเมื่อไหร่มันจะเต็มบาทที่พระให้มานะบดมาสามปีนะมันยังได้นิดเดียวเลยวันหนึงเมียก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้เราสบายแล้วนะไม่มีหนี้ไม่มีอะไรนะมันเลยปิ้งขึ้นมานี่ของพิเศษอยู่ตรงนี้น นี่รู้จักพอนะก็มีความสุขได้ที่ในหลวงสอนให้เราทนะํานำอย่างโง่นะโง่แล้วเหนื่อยงัย้นหัดภาวนาดูกายดูใจของเราไปเราสามารถมีชีวิตที่ไม่อดอยากหรอกมีความสุขได้คนรวยก็ไม่ได้มีความสุขนะหลวงพ่อกล้าท้าเลยมหาเศรษฐีมีความสุขน้อยกว่าหลวงพ่ออีกมันไม่มีความสุขกริงเราดูสิหน้าตาเราผ่องใสออก ทั้งๆ ท, ที่แก่ทั้งที่เหี่ยวขนาดนี้แล้วนะ เ, เสร็จถีมก็อะ <c oughs> ก็อย่างเงี้ยโอ้มีความสุขสู้เราไม่ได้อะอ้อาวพยาานข้าวนะนี่หมดเลยครับ